นั่งตามปกตินอะอาชาวันนี้ก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์วัฒนชัยแสดงธรรมก็พวกเราพยายามตั้งใจเนาะถ้ารู้สึกง่วงง่วงก็พยายามปลุกตัวเองกระดิกมือก็ได้ยกมือก็ได้อย่าไปนั่งหลับซึมๆมนะไฟไม่ต้องปิดก็ได้นะให้มันสว่างสว่างปิดไฟแล้วมันจะง่วง นะปนิมนต์ครับขอรอ้อ <c oughs> น้อมต่อคุณพระตนาไตรโขกาหลวมพ่อกรมเพื่อนสถาบันทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนาะ <c oughs> ไม่ต้องพนมมือก็นั่งทําความรู้สึกตัวเนาะ ทำความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักการฟังเป็นลองนะทกท่นานก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยในการฟังนะจะได้ประโยชน์เนาะในพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนมากมายนะถึงแปดหมื่นสี่พันมัธยมขันนี่สแสดงว่ามีมากพระไตปรปิฎกก็มีถึงสี่ห้าเล่มนะครันนี้ถ้าเราไม่รู้หลักจริงๆเนี่ยเราก็ มันจะกว้างขวางเกินไปนะเราก็สรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วพุทธนาสนานีสอนอะไรบ้างครันนี้ถ้าเราสรุปให้สั้นๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นมีหลักจริงๆมีแค่สองอย่างเท่านั้นเนาะคือประการแรกให้เรารู้จักกับความทุกข์ให้เราเห็นความทุกข์นะรู้จักกับความทุกข์ประการที่สองนะเมื่อรู้จักกับความทุกข์แล้วก็ให้เราไปบัดถึงความพ้นทุกข์นั้นนะ คือให้เห็นทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนีเท่านี้เองนะมันสรุปได้สั้นๆแค่นี้นะครั้นี้เราจะเห็นความทุกข์ได้ไหมเห็นได้อย่างไรใช่ไหมก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรมเขาก็ถามว่าจะปฏิบัติไปทําไมบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะลดลงเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลย <c oughs> เขาก็สบายดีอยู่แล้วนะ เพราะนั้นเขาจึงไม่ต้องปฏิบัติธรรมเขาก็เลยไม่ไปฏิบัติธรรมเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีมีความสุขความสบายพอสมควรแล้วอแล้วก็ไม่คิดว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่รู้จะแบบัติธ ร, รมไปทำไมนะเพราะจริงๆแล้วการปฏิบัตธรรมมันก็มันก็คล้ายๆมีความทุกข์กันนะเราต้องมาทรมานกายตัวเองเหมือนกันใช่ไหม แล้วมันก็เป็นการฝืนกิเลสด้วยนะอะไรเงี้ยฝืนกิเลสทําให้ไม่ไม่ไปตามกิเลสที่ต้องการนะเพราะฉะนั้นคนรู้สึกว่าจริงๆไปฏิัธรรมมันก็ ค, คือความทุกข์นั่นเองก็ก็เลยไม่ไปริัธรรมกันนะคือคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบนี้นะก็เลยไม่ไปริธรรมกันนะคราวนี้เราเห็นความทุกข์ไหมจริงๆเนี่ยมันมีความทุกข์ปรากฏขึ้นเน่ยเราก็เห็นไหมใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วนะก็พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดถึงความทุกข์เอาไว้ว่า ชาติปีตุขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราาปีตุขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โศกภริเทวทัตุกัทโทมณ ส, สุปายาสาปีทุกขาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกาย <c oughs> ความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ <c oughs> การพลัดพากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนนั้ก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์เนาะอุปทานขันธ์ทั้งห้าคืออะไรลนะกะ็ขันธ์ห้าก็คือ <c oughs> รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปก็คือกายเ <c oughs> <c oughs> วทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือใจนะก็คือกายและใจนี่แหละคือตัวทุกข์แล้วทําไมต้องมีคําว่าอุปทานด้วย <c oughs> อุปทานก็คือเพราะว่าเราไปยึดกายหรือยึดใจเนี่ยเป็นของเรานะเราก็เลยทุกข์นะแต่เมื่อใดที่เราเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วเราก็ไม่ทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีอุปทานนะไปยึดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเรานะเราจึงมีความทุกข์เพราะเราจึงต้องไปบัตรเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจนี่แหละว่าเป็นของเรามันก็เลยวางได้นะคือทุกข์มันมีอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ทุกข์กับมันเราก็เห็นความทุกข์ก็อยู่ส่วนความทุกข์เนาะ นี่แหละก็คือเราไปบัดตรงนี้นะเข้ามาถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี่แหละแล้วมันจะพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆเนาะ <c oughs> ครั้นี้นะนะความทุกข์เราก็แบ่งเป็นสองอย่างคือความทุกข์กายและความทุกข์ใจนะความทุกข์กายเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่นะเราเห็นไหมใช่ไหมเรานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกปวดเมื่อยบ้างนะอยากจะลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนปวดบ้างนี่ก็เป็นความทุกข์ใช่ไหม หรือบางคนก็รู้สึกง่วงๆงนะง่วงงก็เป็นความทุกข์เนาะบางบางคนก็รู้สึกหิวนะก็เป็นความทุกข์นะหรือบางคนรู้สึกหนาวหนาวใช่ไหมหนาวก็เป็นความทุกข์เนาะเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ที่มันปรากฏอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นไหมในปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมมันมีความทุกข์อยู่เรื่อยใช่ไหมตรงนี้ครั้นี้ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์เช่นนี้เราเลยเราจะแก้ก็หมดดับไปอย่างถาวรได้ไหมมันดับไม่ได้นะแก้ให้ดับหมดสิ้นไปไม่ได้เลย เพราะว่ามันเป็นทุกข์ประจําสังขารใช่ไหมเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายนะแล้วก็ทุกข์ที่จรมาทั้งหลายหลเนี่ยมันแก้ได้ชั่วคราวใช่ไหมเราเมื่อีเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาเดินมันก็เมื่อีก็ต้องกลับมานั่งต่อใช่ไหมหิวไปทานอาหารไว้ก็หิวก็ต้องกลับมาทานใหม่นะง่วงนอนก็ไปนอนไว้ก็ต้องง่วงใหม่ใช่ไหมอะไรงี้มันเป็นการมันมันแก้ให้มันดับไม่ได้นะมันแค่ปรรเทาทุกข์เท่านั้นเองใช่อืม ส่วนความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ทางจิตใจนะความทุกข์ทางจิตใจนะเป็นความทุกข์ที่มันอันตรายร้ายแรงมากกว่านะคือมันเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้ใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นบางคนเนี่ยดีๆนะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฐานะต่างๆก็ดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อประสบะบางอย่างที่ทนไม่ไหวจิตใจมันรู้สึกว่าป็นเป็นทางตันไปไม่ได้แล้ว จริงๆมันก็มีทางไปนะแต่ว่าเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมเขาก็เลยรู้สึกมันตันจมในความคิดออกจากความคิดไม่ได้นะเช่นเรื่องความรักไม่ไม่สมหวังต่างๆนะเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆที่เรียกว่าคนที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมออกจากตรงนั้นไม่ได้ก็ไปฆ่าตัวตายเยอะแยะใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเป็นความที่เรียกว่าอันตรายมากทําให้คนฆ่าตัวตายได้ รกระนำความทุกข์ต่างๆมาเช่นความโลภความโกรธความหลงความรักความมิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวในเยอะแยะเลยนะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าความทุกข์ในทางจิตใจนะมันร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าสามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดนะคือมันจบสิ้นได้เลยนะเหมือนกับพระอรหันนะท่านก็ ความทุกข์ในทางกายท่านก็มีไปตามปกตินั่นแหละแต่ทุกข์ใจเนี่ยท่านท่านจบแล้วท่านไม่มีแล้วนะเพราะการปฏิบัติธนี่ก็คือเรามาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ในทางใจนะดับทุกข์ให้ใจเนี่ยมันมันดับไปเลยนะมันสามารถจบได้เลยนะ <c oughs> ครั้งนี้นะความทุกข์นี้มันมันเป็นแค่นั่นเองหรือนะทําไมพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสุขสมบูรณ์นะอยู่ในพระราชวังสามฤดูนะมีพระเมรุสีที่สวยงาม มีพระราชโอรสที่น่ารักเพิ่งเกิดใหม่ๆนะทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อาหารการกินก็โดสมบูรณ์ทำไมจะต้องจากสิ่งเหล่านั้นมามาเป็นนักบวชนอนกลางดินกินกลางทรายนะแล้วก็ถือบาตรไปรับอาหารต่างๆที่ที่ไม่ค่อย <c oughs> จะดีนักใช่ไมทำไมต้องมาทุกข์ทรมานเช่นนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ทรง <c oughs> ทรงเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏต่างหากนะเห็นว่าความเกิดนี่แหละมันเป็นความทุกข์ นะการเกิดทุกคราวก็เป็นทุกรำไปนะตรงนี้เมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้วก็คือเมื่อมีการเกิดก็จะต้องมีการไม่เกิดเหมือนกันนะทรงพิจารณาในความทุกข์ที่ว่าเป็นสัจวรรนี้แหะมันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะคนเราตาบใดที่ยังมีกิเลสในใจแล้วเพียงเล็กน้อยก็ต้องกลับไปเกิดใหม่ชันใดฉันนั้นนะเหมือนกับต้นไม้นะสูงถึง30เมตรนี่แหละก็เกิดจากมาเมล็ดพันเล็กนิดเดียว แต่เมื่อตกไปในพื้นดินที่ดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิตใจคนเราที่ยังมีกรเล็อยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเวียนไหวตายเกิดนะับพ้นภชาติไม่ทั่วฉันนั้นนะทรงเปรียบเทียบขนาดนี้ว่าเท <c oughs> ่ากองกระดูกในตายชาติรมีรวมกันก็จะเท่ากับเขาสินัยลูกนะหรือว่าน้ําตาที่เราเคยหลั่งไหลในตชาชาจะเท่ากับหมหาสมุทรนะหรือว่าเอาต้นข้าวในชมพูทวีมาทําเป็นกํกนากำรศรีนิ้วก็ยังน้อยกว่าภูชาติที่เราเคยเกิดมา หรือผู้ใดไม่เคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันมาไม่มีนะเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันไหมครับทั้งนั้นพอพบชาติมันยาวใช่ไหมจะเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงากล่าวไว้แล้วนะในตรงนี้นะเพราะนั้นความทุกข์ที่แท้จริงนะั่นแหละก็คือทุกข์ในสังสารวัฏเมื่อไร่ที่เรายังมีการเว้นว่ายต้เกิดก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ตราบนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปบัติธรรมนี่ก็หมายความว่าเราแบบเพื่อให้เราความทุกข์ในชาตินีนะ้มันลดน้อยลงมันน้อยไปแล้วก็หมดไปแล้ว หลังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดนะพพลวัชชาไม่ทวนซึ่งเป็นสังสารวัตรแห่งความทุกข์ที่แท้จริงนะจึงเป็นประโยชน์ในการที่เรียกว่าเรามาปฏิบัติคือเพื่อตรงนี้เพื่อพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกเนาะไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นใช่ไหมเนี่ยคราวนี้ถ้าเราจับประเด็นได้แล้วว่าเราเห็นความทุกไหมใช่ไหมถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกไหมเราได้ตั้งใจว่าเรามีกำลังใจใช่ไหมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเหตุอย่างอื่นเนาะ แต่เพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็เพื่อพ้นจากสังสวัสที่น่ากลัวนี้เหล่านี้เท่านั้นเองเนะาะคราวนี้เราจะไปรมได้อย่างไรพระเจ้าได้ทรงให้หลักเอาไว้ซึ่งง่ายๆนะแล้วเป็นหลักหลักใหญ่ในการมารมแล้วเขาทรงบอกว่าเป็นหนทางกันเอกที่ผู้ใดปฏิบัติธรรมในทางนี้แล้วก็สามารถจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้นะแล้วก็เข้าถึงความเป็นพระรยาเจ้าได้ไม่ยากนะหรือความเป็นพระยุบบุคคลได้ไม่ยากนะ หลักใหญ่นี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ี่นี่มีอะไรบ้างมีอยู่4อย่างนะสติปัฏฐาน4ี่ก็4อย่างนั่นเองก็คือกายกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตนานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะพูดสั้นๆกนะ็คือกาย <c oughs> เวทนาจิตและธรรมนะก็คือกายบวก อ, อนุนะอนุแปลว่าตามมา ปัสนาิปัสนาก็คือตามรู้นะรู้ก็คือการตามรู้กายนะแล้วก็การตามรู้เวทนาตามรู้ใจและตามรู้ธรรมะนั่นเองนะคือการตามรู้ตามรู้ในสภาวะที่เกิดขึ้นในทางกายและใจนั่นเองนะนครั้นี้มันก็เป็นการที่เราตามรู้กายและตามรู้ใจตามความเป็นจริงนะ ครนะนี้เราจะตามรู้ได้อย่างไรนะจริงๆแล้วธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องของยากอะไรเลยมันไม่ได้ไปรู้นอกตัวนะสังเกตรธรรมะต่อไปนี้ที่พระเจ้าแสดงนะท่านไม่ได้ให้ไปรู้นอกตัวแต่ท่านให้กลับมารู้ในตัวเรานี่แหละใช่ไหมกลับมารู้ในกายและใจเรา <c oughs> แล้วก็มีหลักใหญ่ในข้อเรียกว่าข้อกายคืออิริบด บ, บ, บพะ <c oughs> ก็ให้รู้อย่างนี้ว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอน น, นะ กลับมารู้ในบททั้ง4ี่นี่ก่อนใช่ไหมอันนี้คือบทใหญ่ใช่ไหมเราเราไม่อยู่ในบทใดก็บทหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เรานั่งนะเราก็กลับมารู่ไม่ว่าเรานั่งใช่ไหมเนี่ยตรงนี้กลับมารู่ในไปบันเท่านั้นเองกำลังทําได้อยู是是่ใช่ไหมนั่งหรือยืนหรือเดินหรือ น, นอนเนี่ยคือคนเราต้องอยู่ในบทใดบทหนึ่งแน่ น, น, นอนใช่ไหมกลับมารู่ไหมถ้าตอนนี้เรารู้ว่ากลาลังนั่งนี่เราชื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะรู้เท่า น, นั้นนีงว่ากำลังนั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ย เพราะว่าปกติเราเราจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะเราเดินแล้วก็คิดไปเรื่อยคิดไปนูน่นคิดไปนี่นะ <c oughs> เดินไปก็คิดเอยเดี๋ยวจะไปทำงานทันไหมรถจะติดไหมเ <c oughs> ย็นนี้ไปทานข้าวที่ไหนดีนะนะพรุ่งนี้จะไปหาเพื่อนไปเที่ยวกันนะเมื่อกี้เราปิดน้าหรือเปล่านะเนี่ยมันเดินไปก็คิดไปอย่างนี้แล้วใช่ไมไม่ได้รู้ว่ากำลังเดินเลยใช่ไ <c oughs> คือคนเรานี่จะไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะ <c oughs> ต่อมาก็ พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกในบทย่อยนะเรียวกว่าสัมปชัญญปะปัพนพะนะเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู้แขนเหยียดแขนก้มเงยนะทรงจีวรสังฆาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาะปัสสาวะนะต่างๆเหล่านี้ก็ให้เรารู้สึกตัวในขณะนั้นว่ากําลังทําอะไรอยู่นะก็คือในอบทย่อยต่างๆในจิตประจำวันเรานี่แหละนะเราก็กลับมารู้ในจิตประจำวันเรานะดื่มลิ้มกินเคี้ยวนะต่างต่างเหล่านี้ <c oughs> เพราะนั้นเราก็ตั้งแต่เช้านะเราตื่นขึ้นมาเราก็าล้างหน้าแปรงฟันนะรู้สึกตัวไหมพับผ้าหม่มใส่เสื้อผ้ารู้สึกตัวไหมบัดเดี๋ยวก็เดินไปทํางานนะรู้สึกตัวไหมขณะทํางานต่างๆนะเข้าห้องน้ํารู้สึกตัวไหมหรือไม่ก็ซักเสื้อผ้ า, าถูบ้านกวาดพื้นทั้งหลายแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันต่างๆเนี่อรู้สึกตัวไหมก็คือกลับมาอยู่ในชีวิตประจํำวันเรานั่นเอง ก็มารู้สึกตัวในชีวิตประจําวันเรานี่แหละว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมคราว น, ะนี้สิ่งเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าให้ไปบัติวัดหรือที่สํานักปฏิบัติธรรมที่ไหนแต่ถ้าให้อยู่ในชีวิตประจำวันเราจริงๆนะคือทุกคนในสมัยนั้นนะ่ะไม่มีไม่ค่อยมีวัดหรอกแล้วก็ไม่มีสํานักปฏิบัติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันตัวเองว่าทําสิ่งเหนี้ให้รู้สึกตัวอยู่นะ <c oughs> เมื่อเรารู้สึกตัวในตรงนั้นแล้วนะัเราก็สามารถที่จะ อ, อยู่กับ สภาว่าหนึ่งที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมนะนะการที่เรารู้สึกตัวนี่แหละ <c oughs> จุดหนึ่งก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะถ้าเราอยู่กับตรงนี้ได้เราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วนะปัจจุบันนี่เราทำอะไรอยู่เรารู้ไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันนี้มันไม่ต้องใส่ความคิดใช่ไหม <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นเรานั่งอยู่ใช่ไหมเราก็รู้เรานั่งเราไม่ต้องคิดว่าเรากําลังนั่งใช่ไหมหรือเรากาลังยกมือสร้างจังหวะก็ไม่ต้องคิดว่ายกหนอหรือกําลังยกกำลังยกกําลังสร้างจังหวะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะหรือพลิกมือเราก็ไม่ต้องคิดว่ากาลังพลิกมือหรือได้ยินก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังได้ยินยินหนออะไรไม่จําเป็นนะเพราะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ความจริงเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาจริงๆนะ ความจริงนี่เป็นอาศัยแค่การรู้เท่านั้นเองมันไม่ได้อาศัยความคิดเนาะไม่ต้องอาศัยความคิดเลยมันแค่การรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันอาศัยความคิดแล้วมึงจะอ อ, ออกจากความคิดได้มาเป็นตัวรู้แทนนะอะการที่มันคิดนั่นแหละมันมันเป็นสิ่ ง, งที่บางทีมันก็หลงคิดใช่ไหมเราจะหลงคิดเยอะแยะเลยวันวันหนึ่ง <c oughs> นั่นแหละเราไม่เห็นความคิดแต่เมือ่อใดที่เรารู้แล้วเราจะเริ่มเห็นความคิดแล้วนะ คือเมื่อไรที่เรากลับมารู้แล้วความคิดมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราไปรู้ทันได้ใช่ไหมเพราะใจเรามันจะว่องไวใช่อ่าถ้ามันหลงหรือความคิดเนี่ยะที่ไม่ไม่ตั้งใจคิดคือความหลงทั้งนั้นเลยนะอมันก็จะหลงไปแต่เมื่อไรที่ความรู้เกิดขึ้นปุ๊บความหลงก็จะเริ่มน้อยลงเริ่มดับไปนะว่าจิตมันทํางานขณะขณะหนึ่งขณะขณะหนึ่งคราวนั้นนี่เราหลงนะอ่าเราก็ไม่รู้แต่เมื่อไรที่เรารู้เราก็ไม่หลงนะเหมือนกับ ความคิดหรือความหลงเนี่ยเป็นหนูน ะ, ะ, ะความความหลงความคิดเป็นหนูรู้เป็นแมวใช่ไหมอพอแมวมาปุ๊บ ห, หนูก็วิ่งหนีไปเลยน ะ, ะแต่พอแมวไม่อยู่หนูก็กลับมาอกีกใช่ไหมนี่ละม่งก็เป็นแบบนี้กันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะหลงเขาเ้าไปในความคิดเยอะๆเลยแล้วเราก็ไม่รู้กำลังคิดมันก็นําความทุกข์มาให้เราใช่ไหมคราวนี้วิธีการก็คือเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเราก็กลับมารู้สึกตัวนี่แหละ กลับมารู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวต่างๆน ะ, ะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดทั้งหลายกลับมารู้สึกตัวเท่านั้นเองนะ่ะเป็นวิธีการที่ตรงเนี้ยเป็นวิธีการจรงิงๆแล้วของครูเจ้านะให้เรากลับมารู้สึกตัวอย่างที่บอกแล้วกนะ็คือบทที่เรียกว่าอีบท บ, บพระนี่แหละกลับมารู้สึกตัวในตรงนี้นะเราก็กลับมาได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวได้จรงิงๆนะเราจะเห็นว่าเออความคิดมันก็คิดกันไปนะแต่เราก็รู้ได้ทันรู้ได้ทันแล้วนะตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นสําคัญเลยนะ มันสําคัญมากอย่างไรนะหลวงพ่อเทมบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะเพราะเมื่อไรที่เราเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าหลวงพ่เทมบอกว่านี่เราได้ต้นทางของการปฏิบัติแล้วการเราเห็นความคิดเน่ยเห็นเห็นใจไปคิดเนี่ยอันนี้คือต้นทางการปฏิบัติแล้วนะมันมันเป็นสิ่งที่เราว่าเราสามารถที่จะเห็นได้แล้วก็ไม่ยากใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเห็นเรื่อนี้ได้เราก็สามารถที่จะอยู่เหนือความคิดได้นะเมื่อก่อนเราคิดวันนึงเยอะแยะเลยเราก็สังเกตก็ได้นะ เ, ออเขาคิดเราก็เริ่มรู้ทันแล้วเพราะนั้นเขาจะลดลงลดลงลดลงนะหรือจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นความคิดนะั้นเราก็จะเห็นกิลเลสในใจเราใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงต่างๆนี่แหละนะถ้าเราเห็นแล้วเขาจะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะเขาก็ไม่ได้โตขึ้นเท่าไหร่หรอกใช่ไหมเพราะว่าสิ่งหน่งเนี่ยเขากลัวการรู้ทันนะการรู้ทันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราว่ากิเลสมันกลัวนะมันกลัวการรู้ทันยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีร้านสับปะนค้าแห่งหนึ่งนะอ มันจะมีของหายใช่ไหมในสบับปะรดคาทุกแห่งทุกร้านเน่ยไม่ว่าใหญ่หรือเล็กมันของหายมันไม่จําอยู่แล้วนนะมันก็ไม่รู้ว่าใครขโมยใช่้หมเราก็มีความทุกข์โอ้เดี๋ยวของหายละเดี๋ยวของหายละไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยแล้วก็มีความทุกข์อยู่เรื่อยใช่ไหมแต่พอมีวันหนึ่งเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางหลอกแหลกเลี้ยวซ้ายแลกวา่าท่าทางมีพี่รุษ น, นะกระเป๋าก็ตุงๆด้วยพอเรามองหน้ามันปุ๊บมันก็เห็นเรามองหน้าปุ๊บมันเห็นเราจําหน้าได้ปุ๊บมันหนีเลยนะนี่เอาจะร้านเราเลย คนคนค months, it, ี้เราคือขโมยนะ่ครั้นี้พอสามวันมันก็เข้ามาใหม่มันนึกเราลืมไปแล้วเขาปุ๊บแล้วก็เห็นหน้ามันปุ๊บมันเห็นเราจํามันได้มันริ่มหนีจากเราเลยนะครั้นี้อีกเดือนหนึ่งมันก็มาใหม่มันนึกเราลืมไปแล้วนะพอมันเข้าปุ๊บเราเห็นหน้าปุ๊บมันเห็นเราจําได้ปุ๊บมันหนีไปเลยนะคราวนี้มันก็รออีกปีหนึ่งนะปีหนึ่งเราคงลืมมาแล้วมันก็เข้ามาใหม่เข้ามาทีนี้เราก็เข้ามาปุ๊บเราก็จําหน้ามันมองหน้าปุ๊บมันก็หนีไปอีกมันจะนีียงรววดเเ็ะ มันเพราะนั้นกิเลสในใจเราก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างความโกรดนี่แหละถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันปุ๊บมันก็เบาลงนะเบาลงหรือไม่ความโกรธเล็กๆน้อยๆก็หายไปเลยหรือความโกรธใหญ่ๆมันก็เบาลงไปเลยนะมันก็ไปไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมมันก็มันไม่ได้อยู่นานในใจเราบัดสมัยก่อนใช่ไหมเนี่ยมันกิเลสต่างๆก็ยปันแบบนี้นะเมื่อเรารู้ทันมันก็จะไปเลยไปเลยแต่สมัยก่อนเราก็ไม่รู้ทันใช่ไหมมันก็เหมือนกับกิเลสอยู่ในใจเราเนี่ยมันฝังตัวในใจเรานานเลยนะ มันก็เหมือนกับโจรเข้ามาขโมยของในใจเราเป็นประจำกับทุกวันวันหนึ่งขโมยตั้งหลายครั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวขวดแล้วก็หลงเดี๋ยวก็น้อยใจอิจฉาเยอะยๆเลยนะนี่แหละคือโจรเข้ามาขโมยของในใจเราแล้วเราก็ปล่อยให้มันอยู่ในใจเราใช่ไหแล้วก็มีความทุกข์ตลอดเวลาใช่ไหมมีความทุกข์ทุกๆวันนะต่างๆเราเนี่ยแต่เมื่อเราเริ่มรู้ทันแล้วนะโจรมันอยู่ไม่ได้นั้นหนีไปเลยนะมันค่อยๆหนีไปนะ เพราะนั้นใจเราเนี่ยตรงนี้มันมันเริ่มที่เรียกว่าความทุกข์ก็จะน้อยลงไปแล้วแล้วความสุข ก, ก็มีมากขึ้นนะจากการที่เราสามารถรู้ไปบ่อยแล้วนะ <c oughs> เขาก็นานๆค่อยมาแล้วนะมาก่อนจะมาทุกวันตอนหลังก็นานๆค่อยมาทีงหรือตอนหลังก็เริ่มหายไปแล้วนะเพราะเราเริ่มรู้ทันไปแล้วนะเพราะนั้กิเลสต่างๆนะเขาไม่กลัวอะไรเขากลัวเรารู้ทันเท่านั้นเองนะเพราะนั้นการที่เรารู้ทันก็ทําอย่างไรนะการรู้ทันก็คือประการแรกเราก็มารู้ทางกายก่อนนะ บางคนว่าเอยเราไปดูจิตได้ไหมสามารถดูได้แต่ถ้าเรารู้ไม่ถูกต้องแล้วก็ตั้งใจดูนะมันจะแน่ น, นจะแข็งแล้วมันจะรู้สึกว่าอ่ามั น, ม, น, ม, นมึนหัวด้วยน ะ, ะเพราะเราดูไม่เป็นทำไมาไปตั้งใจมากเกินไปนะเราตั้งใจดูความคิดเดี๋ยวก็มึนหัวแล้วนะแต่วิธีการง่ายๆอย่างที่พระเจ้าบอกนะเรารู้กายก่อนนะมาเรู้กายรู้การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยก็ได้ในชีวิตประจําวันเราก็ได้นะใหม่ๆแต่เราต้องฝึกนะเราก็ มาฝึกในรูปแบบเนี่ยจะได้ทําต่อเนื่องกันนะรู้รู้รสึกตัวก่อนหลังนั้นเราจะสังเกตจิตใจเราได้เพราะว่าร่างกายเป็นของหยาบใช่ไหม <c oughs> เมื่อาร่างกายเป็นของหยาบแล้วเราสังเกตของหยาบได้เราสามารถที่จะมีให้ใจเนี่ยเขาตามรู้ในในกายนะหลังจากที่เขามีรู้ในกายแล้วจิตก็จะเริ่มมีความละเอียดขึ้นมีความตั้งมั่นขึ้นมีความละเอียดขึ้น <c oughs> เขาจะไปสังเกตจิตใจสังเกตความคิดสังเกตอารมณ์ต่างๆได้เองนะเพราะพวกนี้เป็นของที่ละเอียด เราไปดูก็ตรงๆไม่ได้หรอกแต่เราใส่การดูกายเป็นการเริ่มต้นนะหละนะังนั้นจิตใจมันเมื่อมีมีมีมีความตั้งมั่นหรือว่ามีจิตเริ่มตื่นรู้แล้วนะเขาจะไปสังเกตจิตใจได้เองนะมันจะเห็นง่า ย, ายๆเลยนะตอนนี้เราก็เริ่มสังเกตได้แล้วใช่ไหม <c oughs> เมื่อมีความคิดเราก็เริ่มรู้ได้ไวแล้วนะนี่แหละเราจะสังเกตได้นะมีความคิดเราเริ่มรู้ได้ไวแล้วนะนี่แหละตรงนี้เราใช้ได้แล้วตรงนี้เราเริ่มที่จะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องแล้ว ตรงนี้เริ่มเป็นสติปัญฐานสีแล้วพอเราตามรู้กายตามรู้ใจได้ใช่ไหมคราวนี้ตามรู้ใจนี่แหละในจิตตานุปัสสนาหรือในข้อจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> จิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะ จิตตังมันรู้จิตตั้งมันจิ ต, ต, มจตไม่ตั้งมันรู้จิตไม่ตั้งมันนะก็คือให้เห็นจิตใจในตามความเป็นจริงนะท่านไม่ได้บอกว่ามีราคะก็ไปละราคะมีโทสะก็ไปละโทสะไม่ใช่ท่านบอกให้เรารู้เท่านั้นนะจิตมีราคะรู้มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะตรงนี้มันก็ไปเข้าสู่อริยสัจสีนะในข้อทุกทุกบอกว่าพระเจ้าบอกว่าทุกเป็นสิ่งต้องรู้ใช่ไหมนี่ละ่ะก็คือเราแค่รู้ไปเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปบอกว่ามันไม่ดีนะ จัดการให้มัหมดไปความกดไม่ดีจัดการหมันหมดไปอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ได้รู้นะไม่ได้รู้เฉยแต่ว่าเราแค่รู้มันเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วแค่รู้เนี่ยมันก็น้อยไปแล้วมันก็ดับไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติเนี่ยมันมันว่องไวนะอแเรามันทํางานในแต่ละขณะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยเราแค่รู้มันเท่านั้นมันก็จะเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆเองนะตรงเนี้คือกําลังของสติไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเมื่อทําไปแล้วนะมันจะมีตัวตนของเราว่าเออทําไปแล้วนะ มันฟุ้งซ่านเยอะเราจัดการปุ๊มันฟุ้งซ่านดับไปน่ะหรือมันโกรธปุ๊เราจัดกา ร, ารปนะุร๊ ม, มันดับไปเลยนี่มันมีตัวตนเข้ามาแฝงอยู่ใช่ไหมว่าเราเก่งเราดีเราวิเศษแล้วเราจัดการมันได้แล้วตัวตนเราก็จะโตขึ้นใช่ไหมแต่เราไปบัดเพื่ออะไรเพื่อเห็นความจริงต่างหากใช่ไหมความจริงคืออะไรความจริงก็คือตรงเนี้ยเราเห็นไหมว่ามันทํางานเองใช่ไหมความคิดมันก็ทํางานเองใช่ไหมความโกรธ ต, ต่างๆก็ทํางานเองหมดเลยนะความรักความชังจริงๆแล้วมันทํางานเองหมดเลย เมื่อก่อนเราเป็นว่า เ, ออเราโกรธเรารักเราชางัง เ, เราคิดทั้งหลายแหละมันมีตัวตนของเราเข้าไปนะเพราะฉะการปฏิธรรมก็คือให้เห็นความจริงว่าเนี่ยมันทํางานเองนะเรามีหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเองเพื่ออะไรเพื่อเราเห็นว่าเนี่ยเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงคิดเขาจึงหลงเขาจึงโกรธเขาจึงรักจึงชังใช่ไหมตรงเนี้ยเมื่เ อ, อเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเราจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันทํางานเองนะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรมันคิดมันอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยมันเห็นได้ง่ายๆใช่ไหม เราก็จะเป็นผู้ดูเห็นมันทํางานนะเป็นแค่ผู้ดูมันนะหลังนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าเออสิ่งใดที่เราบังคับไม่ได้มันจึงไม่เที่ยงนะมันก็คิดมันไปงั้นนั่นแหละใช่ไหมเราแค่ ด, ดูมันเท่านั้นเองนะเมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่เที่ยงมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะเนี่ยตรงนี้มันจะถอดถอนความเข้าใจผิดได้นะมันเป็นการฝึกเข้ามาเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์และเป็นหน้าตาไม่ตัวไม่ตนนี่แหละหลังนั้นจิตจะเริ่มเข้าใจความจริง เห็นความจริงบ่อยๆนะเขาก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มยึดติดเริ่มคลายจากตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในใจเราก็เริ่มลดลงน้อยลงไปนะเนี่ยเรามันเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ทิฐิจริงใช่ไหมหนทางใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนความค่อยจ็บผิดในความเป็นตัวตนแล้วมันก็คือหนทางความพ้นทุกข์นะเพราะเราทุกข์จริงๆก็คือความเป็นตัวตนแล้วนี่แหละใช่ไหมความเป็นตัวตนเราเนี่ยเมื่อมีอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นตัวเราใครก็มาด่าแล้วก็เออมันด่ากูใช่ไหมเราก็มีความโกรธใช่ไหม แต่เมื่อเขาด่ามามันก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่มีความโกรธมันก็หายไปนะมีตัวเราก็มีอาสามีของเรามีภรรยาของเรามีลูกของเราต่างๆมีทรัพย์สมบัติของเราเยอะแยะเลยนะมั้ยนี่คือความคิดมั่นทั้งหมดแต่เมื่อถอดถอนตัวเราได้แล้วทุกอย่างก็ไม่มีไม่มีสภาวะที่อะไรเป็นของเราแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรของเราทั้งหมดเลยเมื่อไม่มีตัวเราก็จึงไม่มีของของเราไม่มีตัวไม่ตนของเราเนาะเนี่ยจิตก็จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหน้าวันกรรมธรรมนี้ไม่เป็นหนทางอันเอกนะ ที่กลับมารู้สึกตัวได้ในตรงเนี้แหละมันต้องเริ่มที่การรู้สึกตัวก่อนนะรู้สึกตัวได้หลังนั้นจิตก็จะดําเนินต า, ตามวิถีการอย่างเช่นนี้นะสู่ความพ้นทุกได้นะเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะเป็นหนทางที่เรียกว่าทําไม่ยากนะไม่ต้องไปหาที่สงบสง บ, สงบเงียบๆนั่งสมาธิแต่อย่างใดนะเพราะว่าคนเรานะทุกวันนี่มันชีวิตมันวุ่นวายนะกับกิจการงานเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็ สียงแวดล้อมมันก็มีทีวีบ้างอุปกรณ์ต่างๆทาให้เราหลงไหลเยอะแยะเลยนะถ้าใจเราไม่อาจที่จะอยู่ในตรงนี้ได้อย่างมีสติแล้วนะใจเรานะมันจะไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเข้าสู่ <c oughs> ความการที่จะถึงทําได้จริงๆนะเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไนะถ้าหากว่าในตรงนี้เราสามารถที่จะอยู่ได้กับชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะตายให้รูปหูได้ยินเสียงแล้วเราสามารถที่จะรู้ทัน เราเข้าใจจิตใจเราได้บ่อยๆใช่ไใจก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะมันก็จบลงได้ง่ายใช่ไหมแต่เมื่อไรที่ใจไปปรุงแต่งต่อนันะ่นแหละมันเป็นเพรเป็นชาตินะแต่เมื่อใจไม่ไปปรุงแต่งต่อแล้วภพวชาติก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากการที่เขาซุ้งในรู้อีกจากกองกระดูกอีกรูอีหนึ่งที่ลอยอยู่ข้างหน้านะมันก็จะลดลงจากการที่เราสามารถรู้ทันกินเลสในใจเรานี่แหละเมื่อรู้ทันแล้วกิเลสก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆนี่แหละคือภพชาติเราก็จะลดลงไปด้วย ในที่สุดก็ผลทางบนทุกข์มันก็อยู่ต่อหน้าเราใช่ไหมก็คือจิตที่ทว้าไปจําบันแล้วนี่แหละเราฝึกรู้ไปบ่อยๆนะเนี่ยก็คือของจริงที่เรารู้ไปตามความเป็นจริงนะตรงนี้เมื่อเรารู้ของจริงแล้วนะมันก็จะปรากฏขึ้นว่าเออเราก็สังเกตได้นนะกินเลยเราก็ค่อยๆลดลงไปแล้วนะเราไม่ต้องไปตั้งใจลดกินเลยแต่อย่างใดแต่เมื่อเรารู้ไปเรื่อยๆกินเลยก็จะลดลงไปเองน ะ, ะมันก็รองเท้าเรานะเราไม่รู้มันสึกไปวันละเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เมื่อเราใส่ไปนานๆจะรู้สึกเออเรองเท้ารมันก็สึกลงไปให้เราเห็นใช่ไหม เมื่อใดที่เราเริ่มสังเกตจิตใจเราได้เราจะเริ่มสังเกตว่าถ้าเราเริ่มในวันนี้นะอีกสามปีหน้าเราพิสูจน์ได้เลยเออทำให้ความกรธเราลดลงไปนะความโลภความหลงเราก็ลดลงไปนะใจเราก็เบิกบานมากขึ้นนะแล้วก็มีเมตตามากขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะภายในสามปีแต่ถ้าจริงๆแล้วมันไม่ถึงสามปีหรอกนะถ้าเราทําได้ถูกต้องแล้วนะมันก็ภายในปีเดียวหรือไม่ถึงปีด้วยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนแต่เราทําไม่ถูกต้องนะอะมันไม่ลดลงในชะ่ไหมความ บางคนไปบัตรมาตั้งหลายปีเอ๊ะทำไมเรากดเหมือนเก่าโกรธมากขึ้นนะอันนี้เราไม่ถูกต้องใช่ ไ, ไหมแบบนี้ไม่ถูกต้องเนะพราะเมื่อเราสังเกตได้ไหมว่าถ้าเราไปบัตรมาหลายหลายปีแล้วเราสังเกตไหมว่าออตอนนี้ความโกรธลดลงไปไหมหรือเท่าเก่าหรือเพิ่มขึ้นนะรวมทั้งความทุกข์ต่างๆนี่ลดลงไปไหมนะตรงนี้ถ้าเราสังเกตได้ก็เป็นประโยชน์นะถ้าสังเกตไม่ได้เราตรงนี้มันจะเสียเวลานะนะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็คือคนทางอันเอกที่เรียกว่าเราสู่ความโคตรดีจริ ง, รงๆแล้วก็ไม่ยากซึ่งเราทํา นําไปใช้ได้จริงๆแล้วก็ไปบวิในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะมันจะเป็นประโยชน์ในการที่เรียกว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาอยู่วัดไม่มีโอกาสมาบวชแต่ว่าเมื่อเราทํางานแล้วเราก็สามารถใช้โอกาสนี้แหล ะ, ะนําเข้ามาเสิร์ฟในชีวิตประจําวันเราให้เราสามารถที่จ ะ, ะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันนะนี่ก็คือเหตุให้การเวีนว่ายตายเกิดเรลดสั้นลงแล้วก็ภพภูมต่างๆก็น้อยลงไปด้วยแล้วมันก็เข้าสู่ความเป็นพระยเจ้าพระยบุคคลถึงความพ้นทุกข์ได้ถึงพระนิพพานได้ในเวลาไม่นานเนาะ เพราะในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณพระนตทรัยน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ สวาข้าโตภกะวะตาธโมธัมมังนามสามิสุปฏติปันโนภกะวะโตสะหะวะกะสังโฆสังขังอา ม, ามิ